ท่านสมพานช่วยไปดูต้นมะขามหลังวัดหน่อยเถอะครับผมว่ามันยังไงยังไงอยู่นานายวังซึ่งมีบ้านอยู่เหนือวัดมารายงานตอนสายวันหนึ่งมันยังไงยังไงนะ่ะมันยังไงล่ะโยมเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงพูดเหมือนยวนทั้งที่ไม่ได้เป็นยวนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงรู้แต่ว่า เวลาที่อีเหี่ยวอิกามันมากินลูกเป็ดลูกไก่ผมผมไล่ ย, ยิงมันมันก็พากันบินไปเกาะที่ต้นมะขามผมก็เอาปืนลูกสองยิงแต่มันยิงไม่ออกพอหันปากกระบอกปืนไปทางอื่นกลับยิงออกทุกทีผมว่าไอ้ต้นมะขามนี่มันต้องมีอาถรรพ์นะครับท่านสมภารนายวังลงความเห็นจริงครับหลวงนะผมเก็บเม็ดมันมาเล่น รูปร่างประหลาดช่บกลไม่เหมือนกันเลยสักเม็ดเดียวเด็กชายสมริตซึ่งนั่งฟังอยู่ห่างๆเอ่ยขึ้นไม่เหมือนยังไงไหนเอามาให้หลวงนาะดูซิท่านบอกเด็กชายนี่ไงครับฝักหนึ่งจะมีสิองเม็ดแต่ละเม็ดจะไม่เหมือนกันเลยเด็กชายควักเม็ดมะขามออกจากกระเป๋าเก่ ง, กงส่งให้ท่านพระเจริญรับมาดู อย่างพินิษพีเคราะห์ก็พบว่าแตละเม็ดเป็นรูปสัตว์มองเห็นชัดเจนท่านจัดเรียงลงบนพื้นกระดานทีละเม็ดเริ่มจากรูปหนูอัวเสือไปจนถึงรูปหมูรวมได้สิบสองรูปนับเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากจึงพูดกับนายวังว่าโยมเม็ดมะขามนี่เป็นรูปสิบสองนักสัตว์นะดูสินี่ ปีชวดรูปหนูปีฉลูรูปวัวไปจนถึงปีกุนรูปหมูโยมลองพิจารณาดูสิว่าเหมือนกับที่อาตมาเห็นหรือเปล่าในวังก้มลงดูใกล้ๆครู่หนึ่งก็เงยหน้าขึ้นบอกสมพานว่าจริงครับสิบสองนักสัตว์ชัดเจนมากไม่น่าเป็นไปได้บุรุษวัยห้าสิบเศษ รู้สึกพิสวงเพราะอย่างนี้กระมังปืนถึงยิงไม่ออกเด็กชายสมฤทธิ์สันนิฐานอย่าเพิ่งสรุปอะไรง่ายๆมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นประเดี๋ยวเราไปดูกันสัมฤทธิ์เองช่วยไปบอกเนนให้เตรียมมีดไปถางหญ้ารอบๆต้นมะขามด้วยไปเดี๋ยวนี้เลย ท่านสั่งเด็กชายสักครู่จึงชวนในวังเดินไปยังต้นมะขามหลังวัดเมื่อไปถึงก็สั่งให้สา ม, มนเณรห้ารูปซึ่งเดินตามมาติดๆเพื่อจะช่วยกันถางต้นหนามพุงดอออกให้เป็นทางเตียนเดินเข้าไปถึงโคนต้นได้บริเวณรอบๆต้นรกเรือมีทั้งต้นหนามพุงดอต้นเคี้ยวงูต้นคอยและต้นสาบเสือเนนทั้งห้ารูป ช่วยกันถางจนเหงื่อตกกว่าบริเวณนั้นจะโล่งเตียนพระเจริญเก็บมะขามที่หล่นอยู่ใต้ต้นขึ้นมาสามฝักส่งให้เด็กชายสำริดเอ็งลองแกะดูสิฝักหนึ่งมีกี่เม็ดแล้วดูด้วยว่าเหมือนกันทุกฝักไหมเด็กชายจัดการปอกเปลือกที่หุ้มเนื้อมะขามออกปรากฏว่าแต่ละฝักมีอยู่ส2บสองข้อ ครั้นแกะเนื้อออกก็ปรากฏว่าเม็ดข้างในเป็นรูป12นักษัตวทั้งสามฝักเหมือนกับที่เขาให้ท่านดูเมื่อครู่นี้ผมว่าเพราะมันเป็นรูปส2องนักษัตว์นี่เองถึงได้ยิงไม่ออกเด็กชายยังคงยืนยันความคิดเดิมคงไม่ใช่มั้งอาจมีใครเอาพระสมเด็จมาลืมทิ้งไว้ใต้ต้นก็ได้ ลองช่วยกันค้นหาสิเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงคิดไปอีกทางหนึ่งแล้วท่านก็พบที่ประหาร น, นักโทษอยู่ที่คนต้นเป็นหินมีแท่นรองนั่งมีสลักครบถ้วนพอที่จะสันนิฐานได้ว่าเป็นที่ประหารชีวิตอย่างแน่นอนนั่นอะไรครับท่านสมพานนายวังถามที่ประหารชีวินักโทษแสดงว่า บริเวณนี้เคยเป็นที่ประหารมาก่อนเอาละวันหลังจะขอแรงพระเนนมาถางให้กว้างออกไปอีกเพื่อจะพบหลักฐานอะไรเพิ่มขึ้นวันนี้คงเหนื่อยกันแล้วได้เวลาเพนพอดีกลับไปฉันเพนกันเถอะท่านบอกสมเนรทั้งห้ารูปคืนนั้น หลังจากสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ดังที่เคยปฏิบัติอยู่เป็นประจำทุกค่ำคืนแล้วพระเจริญยังได้แผ่เมตตาไปดูต้นมะขามที่ท่านพบที่ประหาร น, นักโทษอยู่ใต้ต้นของมันแล้วภาพเหตุการณ์ครั้งอดีตก็ปรากฏกขึ้นในนิมิตเป็นภาพที่เพชฌฆาตกำลังประหาร น, นักโทษก่อนประหารมีการบวงสรวงเทวดาเครื่องบวงสรวงมีหัวหมูใบสี มีเพชฌฆาตสามคนคนหน้าเป็นคนรำดาบคนหลังเตรียมท่ารออยู่สองคนคนหน้าที่รำดาบไม่ใช่คนฟันคนหลังเป็นคนฟันฟันเสร็จก็ถีบลงบ่อไปแท่นประหารถูกวางไว้ใกล้บ่อซึ่งหากจากต้นมะขามออกไปทางซ้ายมือประมาณสิบวาในบ่อมีศพอยู่เต็ม ที่กระดูกผุกรอนก็หลายศพก่อนจะประหารเพชระคาดจะทําพิธีขอขมาลาโทษผู้ตายเสียก่อนเพื่อจะได้ไม่จองเวรจองกรรมกันต่อไปในชาติหน้าเพราะถือว่าเป็นการทําตามหน้าที่มิได้มีเรื่องโกรธเคืองกันเป็นส่วนตัวได้เห็นภาพเหตุการณ์ในนิมิตแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงได้รู้ว่า การที่ต้นมะขามปืนยิงไม่ออกนั้นเพราะมีเทพ ย, ายดาเข้าสิงสถิตจึงกลายเป็นต้นมะขามกายสิทธ์ด้วยประการชนี้ท่านจะต้องสงเคราะห์ศพในบ่อนั้นด้วยการขุดขึ้นมาชาปนากิจให้เป็นที่เรียบร้อยพวกเขาจะได้ไปผุดไปเกิด วันรุ่งขึ้นพระเจริญจึงขอแรงพระเนนในวัดไปช่วยกันถางป่ารอบๆต้นมะขามและได้พบ บ, อบ่อศพห่างจากต้นมะขามไปทางซ้ายประมาณ10บวาตามที่เห็นในนิมิตท่านบอกลูกวัดว่าคืนนี้มาช่วยกันขุดศพขึ้นมาคงต้องใช้เวลาสักสองสามคืนกว่าจะเอาขึ้นมาหมดทำไมต้องขุดกลางคืนด้วยล่ะครับท่านสมพาน พระรูปหนึ่งถามเพราะท่านเป็นคนกลัวผีถ้าขุดกลางวันเรื่องมันก็จะเอิ ก, กเกริกชาวบ้านเขาก็จะรู้ฉันไม่ต้องการให้ชาวบ้านรู้ประเดี๋ยวก็ได้แห่กันมาขุดหาของมีค่าแล้วถ้าเจ้าของเข้าห่วงก็จะมาจองเวรจองกรรมกันไม่ยอมไปผุดไปเกิดเพราะฉะนั้นงานนี้ ต้องทำกลางคืนถ้าเช่นนั้นผมขอเฝ้าวัดได้ไหมครับถ้าขืนมากันหมดเกิดขโมยเข้ามาขนพระพุทธรูปไปก็จะได้ไม่คุ้มเสียนะครับท่านสมภารไม่ต้องเฝ้าหลอกคุณให้หลวงตาอ้อนกับหลวงตาเฟื่องเฝ้าก็พอแล้วสมภารตอบเพราะภิกษุสองรูปนี้ไม่เคยเข้าร่วมกิจการใดๆ ไม่พอหรอกครับหลวงตาอ้อนท่านก็นั่งสูบยาเส้นฉันชาตรากระต่ายแล้วท่านก็จำวัดส่วนหลวงตาเฟื้องนะ่ะเลิกพูดถึงกว่าจะกลับมาจากบ้านเมียก็สองสามทุ่มเมื่อเช้าก็เก็บน้อยหนาที่หลวงตาอ้อนปลูกไว้ไปเต็มยามแบบนี้บาปไหมครับพระหนุ่มอยากรู้บาปสิเอาของสงไปโดยไม่ได้รับอนุญาตบาปมากผมหวั่นใจเหลือเกินว่า หลวงตาเฟื่องแก่จะต้องไปเป็นเปรตเพราะจิตแกมีโลภะขโมยของสงฆ์ไปให้ลูกหลานกินผมเตือนแกตั้งหลายครั้งหลายหนแกก็ไม่เชื่อจนผมค้านที่จะเตือนสมภารพูดอย่างรู้สึกระอาในความประพฤติของหลวงตาผู้เป็นลูกวัดแบบนี้ไม่บวชยังจะบาปน้อยกว่าเฮ้อคนเรานี่ก็แปลกนะครับท่านสมภาร แทนที่จะสร้างกรรมดีกลับมาก่อกรรมทําชั่วแทนที่จะบวชเพื่อละกิเลสกลับมาบวชเพิ่มกิเลสทําให้พระาศาสนาพลอยมัวหมองไปด้วยพระดีๆนี่นับวันจะหายากขึ้นทุกวันนะครับผมเห็นคนเขาสร้างวัดสร้างวากันแล้วรู้สึกหดหู่ใจวัดเพิ่มขึ้นแต่พระที่มีคุณภาพกลับลดจํานวนลงเหมือนที่คนเขาพูดกันว่าสร้างวัดให้หมาขี้ หาพระดีอยู่ไม่ได้ท่านสมพาน์เห็นด้วยไหมครับเอาล่ะเอาล ะ, าละผมว่าเราช่วยกันถางป่าให้เสร็จเถอะคืนนี้จะได้เริ่มขุดศพสมพาร์พูดตัดบทผมขออนุญาตฟ้าวัดนะครับท่านสมพาน์ยังไม่ออกปากอนุญาตผมเลยพระนุ่มทวงเอาเถอะเอาเถอะคุณจะห่วงวัด หรือห่วงตัวเองก็ตามเป็นอันว่าผมอนุญาตคุณจะไม่มาช่วยก็ได้ผมห่วงวัดจริงๆครับทำไมผมต้องห่วงตัวเองพระหนุ่มแก้ตัวห่วงตัวเองสิก็คุณเป็นคนกลัวผีไม่ใช่หรือที่ไม่อยากมาขุดศพเพราะคุณกลัวผีท่านพูดแทงใจดำพระลูกวัด จึงจำต้องนิ่งตกกลางคืนการขุดศพก็เริ่มขึ้นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงใคร่ครวนดูแล้วเห็นว่าควรจะขุดขึ้นมาให้หมดในคืนเดียวเพราะความลับไม่มีในโลกเกิดพระเนนรูปใดเผลอไปพูดให้ชาวบ้านรู้เรื่องก็จะยุ่งดังนั้น จึงบอกลูกวัดว่าจะต้องทำให้เสร็จในคืนนี้และท่านเองก็ลงมือช่วยขุดด้วยไม่ใช่แต่จะคอยสั่งการเท่านั้นพระเนนเห็นสมภารทำอย่างขมักขม่นเช่นนั้นก็ช่วยอย่างตั้งอกตั้งใจและแล้วการขุดศพก็ไปเสร็จเอาเมื่อเวลาสองยามจำนวนศพที่ขุดได้ประมาณ20สบศพซึ่งรวมอยู่ในบ่อเดียวกันทั้งหมดนอกจากศพแล้ว ยงได้แหวนใส่นิ้วมือแหวนใส่แขนและตระกุฎจำนวนมากซึ่งสิ่งของเหล่านี้พวกชาวบ้านอยากได้ไว้ในครอบครองของตนต้องเอาใส่ลงไหมครับท่านสมพาน์เนรรูปหนึ่งถามขึ้นคงไม่ไหวกระมังศพมากมายออกอย่างนี้จะเอาลงที่ไหนมาใส่หวาดไว้ไม่เป็นไร ไม้ไผ่เรามีแยะประเดียวตัดไม้ไผ่มาทำเป็นแคร่หามไปที่เมนแล้วบอกชาวบ้านมาช่วยกันเผาจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกเขานิมนต์ทั้งพระทั้งเนนมาช่วยมาติกาบังสกุลด้วยนิมนต์ทุกรูปเลยท่านบอกพระเนน เวลาห้าโมงเย็นของวันรุ่งขึ้นพวกชาวบ้านก็มาร่วมงานชาปนกิจศพนักโทษที่เจ้าอาวาสและพระเนนวัดป่ามะม่วงช่วยกันขุดขึ้นมาจากบ่อใกล้ต้นมะขามหลังวัดครั้นเล่าลือกันว่าต้นมะขามหลังวัดป่ามะม่วงเป็นมะขามกายสิทธิ์คนก็พากันเก็บฝักของมันไปแกะเอาเม็ดมาทาเป็นเครื่องรางของขลังบ้างนาไปเลี่ยมทองแขวนคอ แทนพระเครื่องบ้างนำไปทำเป็นตะ ก, กรุดและบ้างก็นำไปวางไว้ที่หิ้งพระเพื่อกราบไหว้บูชาสองเดือนต่อมาหลวงบุเรศบำรุงกับหลวงสมานวนาิจอดีตอธิบดีกรมป่าไม้ได้มาที่วัดพระเจริญเห็นเป็นโอกาสดี ที่จะสอบถามเรื่องเม็ดมะขามเป็นรูป12นักษัตว์จึงชวนบุคคลทั้งสองไปยังต้นมะขามหลังวัดหลวงสมาวนวะนกิจเห็นต้นมะขามใหญ่ขนาดห้าหคนโอบก็คำนวณอายุตามหลักวิชาที่ได้เริ่มเรียนมาอายุพันกว่าปีครับท่านคงไม่พลาดถ้าผิดพลาดก็คงไม่มากเขากราบเรียนพระเจริญ แล้วทำไมจึงมีส2สองข้อทุกฝักแล้วเม็ดก็เป็นรูปส2บสองนักสัตว์เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถามพลางก้มลงเก็บมะขามฝักหนึ่งส่งให้หลวงสมานวนากจท่านช่วยพิจารณาหน่อยว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้คุณหลวงวัยใกล้เจ็ดสิบรับมะขามฝักนั้นมาแกะเปลือกออกแล้วใช้มีดพกที่ติดมา แค่เม็ดออกดูทีละเม็ดจนครบ12เม็ดหากก็ไม่สามารถให้คำตอบได้จึงถามเพื่อนที่มาด้วยลุงบุเรศช่วยผมดูหน่อยทำไมจึงเป็นเช่นนี้คุณหลวงวัยเดียวกันก็ไม่อาจให้คำตอบได้จึงพูดขึ้นว่าผมก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละเรียนด้านป่าไม้เรียนต้นไม้มาทุกชนิด ไม่เคยเห็นมะขามที่ไหนเป็นอย่างนี้เพิ่งจะมาเจอที่วัดป่ามะม่วงนี่แหละครับนั่นสิผมก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพิ่งจะมาเจอที่วัดนี่แหละสงสัยจะต้องนําไปเขียนเป็นตาําราไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนไม่เคยมีปรากฏในตําราวรรณศาสตร์เล่มใดมาก่อนผมรับรองได้อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ว่าถ้าเช่นนั้น อาตมาก็ไม่สามารถหาหลักฐานได้นะสิว่าเหตุใดมันจึงมีเม็ดเป็นรูป12บสองนักสัตสมพานวัยสามสิบเศษรู้สึกผิดหวังผมก็จนปัญญาคลับไม่ทราบจะช่วยท่านได้อย่างไรเพราะไม่มีในตำราต้องขอประธานอภัยเมื่อไม่สามารถหาเหตุผลได้ว่าเหตุใดมะขามต้นนั้น จึงมีเม็ดเป็นรูปส2องนักสัตว์บุคคลทั้งสมีสมณะหนึ่งกับครหัดสองจึงพากันเดินกลับมาที่กุฏิเมื่อเดินผ่านต้นสัตบันัเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงถามขึ้นว่าท่านช่วยคำนวณดูหน่อยเถอะว่าต้นสัตบันญัตนี่อายุกี่ร้อยปีหลวงบุเรีกับหลวงสมาน แงมองขึ้นไปยอดต้นสัตบัญญัซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณ8ดวาและตอบพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายว่าประมาณ800ปีครับอุปนิสัยอย่างหนึ่งของพระเจริญคือเป็นผู้ที่ชอบศึกษาหาความรู้เมื่อหลวงบุเรศบำรุงการกับหลวงสมานวนาิจมาเยือนถึงวัด ท่านจึงถือโอกาสซักถามความรู้เกี่ยวกับวณศาสตร์ซึ่งคุณหลวงทั้งสองก็ยินดีและเต็มใจที่จะถวายความรู้สนทนาปราศัยกันจนเป็นที่พอใจแล้วบุคคลวัยใกล้เจบทั้งสองจึงลากลับบ่ายวันพระ หลังจากสอบอารมณ์ให้ญาติโยมที่มาปฏิบัติกรรมฐานเสร็จแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็เดินกลับกุฏิเพื่อส่งน้ำเด็กชายสำริดกำลังเดินเข้ามากุฏิเช่นกันไปไหนมาท่านถามลูกชายพระตุไปสำนักชีมาครับเด็กชายตอบไปเล่นกับเจ้าแดงเจ้าขาวมาละสิครับก็ผมเหงา คิดถึงหลวงพ่อจังนานแล้วที่ท่านไม่มาเยี่ยมพูดอย่างน้อยใจท่านคงงานมากเอาเถอะวันหลังหลวงน้าว่างจะพาไปเยี่ยมหลวงพ่อนะท่านปลอบใจเด็กชายผมไม่เคยเห็นลหลวงน้าว่างสักวันเดียวสงสัยคงคอยเงกเลยคอยจะเป็นหนุ่มเลยมั้งเอาเถอะเอาเถอะ ข้าคงมีวันว่างสักวันหรอกหน้าครับผมก็หวังเช่นนั้นเออหลงนะครับชาวบ้านก็ลือกันว่าเม็ดมะขามศักดิ์สิทธิ์นะครับคนเข้าเอาไปแขวนคอแทนพระเครื่องวันหนึ่งเขาตกตึกแต่ไม่ยักกระตายเพราะเม็ดมะขามช่วยไว้อย่างนั้นหรือข้าก็ได้ข่าวมาหลายกระแสบ้างก็ว่าเดี๋ยวนี้เม็ดไม่เป็นรูปสิสองนักสัตว์แล้ว บางทีก็เป็นรูปหัวกะโหลกผีวันนี้ก็เอามาให้ดูรายหนึ่งเป็นรูปอะไรเองลองถ่ายสิผมถ่ายไม่ถูกหรอกครับหลวงนาถเเฉยมาดีกว่าเป็นรูปข้านะสิใส่แว่นตาสัก ด, ด้วยไม่น่าเป็นไปได้ข้าจะไปอยู่ในเม็ดมะขามได้อย่างไรจะว่าเขาแกล้งทำขึ้นมาก็เป็นไปไม่ได้นับวัน ก็ยิ่งมีเรื่องแปลกๆกเกิดขึ้นวัดนี้ไม่รู้เป็นอะไรพูดคล้ายบน่นนั่นสิครับไม่รู้วัดอื่นเขาเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าโดยเฉพาะวัดกลางทุ่งที่หลวงพ่อผมเป็นเจ้าอาวาสข้าจะไปรู้เหรอทำไมเองไม่ไปถามหลวงพ่อเองละ่ะก็เมื่อไรหลวงนาะจะว่างพาผมไปแล้วครับอุ๊วะพูดไปพูดมาก็เข้าเนื้อข้าจนได้ ไม่พูดกับเองแล้วข้าจะไปส่งน้ำละ่ะพูดจบก็เดินขึ้นไปยังชั้นบนของกุติเพื่อเตรียมส่งน้ำนับตั้งแต่ขุดศพขึ้นมาทำการชาปนากิจและนำอังคารไปลอยอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาต้นมะขามกายสิทธิ์ก็เฉาลงเฉาลงอย่างเห็นได้ชัดพระเจริญอยากรู้ว่าเหตุใด จึงเป็นเช่นนั้นจึงแผ่เมตตาไปดูต้นมะขามในคืนวันหนึ่งแล้วท่านก็ได้ทราบว่าสาเหตุที่ต้นมะขามเหี่ยวเฉาลงและจะตายสนิทในอีกสองปีข้างหน้าเพราะเทพ ย, ยดาที่สิงสถิตยอยู่ได้พากันย้ายออกไปในคืนที่ขุดศพนั่นเองสมภารวัดป่ามะม่วงได้ประจักษ์ในไตรลักษณ์คือลักษณะสามประการ แห่งสังขารรมทั้งหลายอันได้แก่อณิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์และอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตนดังมะขามกยสิตต้นนี้ซึ่งแม้จะอายุตั้งพันกว่าปีก็ยังต้องมีวันสิ้นสุด